ไปจะไปที่ไหนไปสถานที่นี่ไม่มีบัณฑิตนักปราดมีแต่คนพานนะใครเป็นบันณฑิตนักปราดให้ไปลงไปไล่ลงเดี๋ยวนั้นร้องไห้ลงไปเลยเราก็เฉยน้าตานี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเราเอาตรงนั้นไล่ลงไปอย่าขึ้นมานะแต่นี้ต่อไปห้าม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 ถ้าว่าเราถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ทำไมไม่ฟังคาท่านฟังคาท่านสิทำลงไปแล้วเป็นยังไงให้รู้สิเลยทำตามนั้นพอทำตามนั้นมันก็เปิดโล่งภายในสิทีนี้จ้าขึ้นเลยเชียวนี่ก็สรุปความเอาเลยนี่แหละที่กลับขึ้นมากลับขึ้นมาเพราะเหตุนี้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 แม่ชีก็เอามาส่วนแก่ น, นานๆจะเอามาทีหนึ่งถามแม่ชีเรื่องหุงข้าวแม่ชีตอบว่าพึ่งหุงตอนอยาท่านมานี่แหละเขาเรียกย่าท่านเป็นความเคารพของเขานะมากนี่พึ่งทำตอนอ่าท่านไม่อยู่ข้าวนี่ก็งดหมดแล้วทำไมถึงรู้ว่าจะทำแม่ชีตอบ